ป่อยเขาจะเลงไปผมว่าถ้าดูแลเจ้านายอี่งนี้ผมไล่ออกเพ่อี่เอ็ขไล่ออกพนักานทีหนึ่งนะคุณเจ้านายนะไอ้หน่เนี่ยเป็นลูกน้องนะคุณนะคุณส่งรีพอร์ตมาให้ผมผมเป็นบอสคุณนะพอผมได้ได้เตอร์นี้มานะตอนหน้าสารกำนันไหมผมอ่านเสร็จครับมึงเอาตีนทาหรือมึงเอาเอาสมองทำวะจบโคทาได้แค่เนี้ย คือว่ามีอะไรเกิดขึ้นเพื่อรักษา culture พวกคุณต้งใจแข็งนะคพื่อนผมหมด culture อะไรมากคุณทำไม่ได้ boss คุณแม่ของแม่มากบลย boss ที่ใหญ่กว่าทำไมับไจ้ยินข่าวนี้แม่ถามพยานเหตุเกิดจริงหรือเปล่าปั๊บเรียกคนนี้คุยเลยครับบอ s s ให่เรียคนนี้คุยจริงหรือเปล่าจริงครับคุณดูวคุณทาอะไรลงไปคุณกาลังทลายความคิดของคนํานวนซึ่งรายจะแอกับทนาย c u s t o อร์ถูกไหมครับ เขาทางานไนอย่างทำดังนั้นอ uh, ีกคนเดียวเอาออกหุนว้นของจริงหุ้นเรื่องนี้เรืงใหญ่แม่คุยกันตั้งไงบีเอมเลยว่าเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่เขารอินดีวีด้วงถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยูเอสเอแล้วไม่มีเรื่องใหญ่่ะไางสมม่น้องผมนะคุณทำมีพอร์มานะผมอ่านเสร็จโอ้โหโิพหายเลยขะนี้ผมจะพูดว่าไง굿ไทร์ คี mình mình ้นเลยเอ้ยคก็คือมึงก็ชว่ามึงยัมีความพยายามที่ดีมากนะแต่ว่ามันยังไม่ด้้โนใจคุอาจจดีขึ้นบ้ะแต่อยู่ได้หครับคุณวราฉยซับคอสต์ติซึ่งบอสของคุณถ้าไม่เป็นอย่างนี้นะเรียนน่งอ๋อของที่นี่ิบหายเหมือเนยบอสคุณต้องมีนแบบไหนครับยอมเขี่ยให้นผิดในบางเรื่องเพราะนี่คุณดูวะบอก น้องอนะคุณทรัตน์นะรัตนที่คุณคิดมากับผมเนี่ยไม่ตรงกันนะวิธีคิดคุณกับผมเ ไ, ไม่ตรงกันแต่ผมขอบความคิดคุณนะห้เอานี้นะสมจชายก้าเอาละลองโปรเกต์นี้ให้ผมเชื่อผมจะคันหนึ่งนะผิดไม่ต้องเสียใจนะเ ร, เรียนรู้ด้วยกันทั้งคู่นะไัตพอจะไหวนะคุณแฮปปี้ไหมอย่างเงี้ยผมคิดแบบ a นะที่คุณเฉลิมานี้แบบ B เอาละื่อเกิดคุณคันเรียนรู้ เชื่อเลยตลาดหน้าของผมถูกแต่เพื่อให้มรงเรียนรู้อะทำแบบดีถึงจุดจุดนึ่นอย่าลืมบอกผมนะว่าไม่ไหวก็ไม่ไหวนะอะทำดีไ้ถึงไงเงี้ยแต่เรื่องนี้ต้องไม่ชิบายใหญ่โตนะไม่ได้แม่เรื่องเซฟตี้กับตัวตายโง่กึงถ้าเซฟตี้ต้องโง่หุดเตื้นคูเปิดการเลยเขาบก่เอ๊ะ้แม่พลนด้วยกสไม่มีคมไมเรื่องเซฟตี้เข้าใจว่าแต่เี่มเซฟตี้เป็นเรื่องของมาเก็ตแพน เป็นเรื่องของการเจาะตลาดอย่างนี้น่ารองไหมครับเรือ่องนี้เอาเลยอย่างนี้มึนงนก่ า, าิดขึนาเท่าไหครับไอ่แต่ผมไม่ซามเลยผิดขึน้นมาันี้บอลของแล้วอย่างนี้โนไหครับฝ่ายบุคคลแม่งมาคยะข้อหาเลยครับไม่ชคารเลยครับยินดีวดวยหรือเปา culture แบบนี้มีหรือเปล่ แล้พอใครแม่นแหวว่ามายพวกมึงว่ามาครับอีวนอีเแล้วถามกลับมาไม่ดีแหววไหมนะมึงก็หัวราครับามึงถามแล้วมึงมีอะไรไม่มีครับใช่ป่ะมึว่าอะไรมาถึงนั้นด้านสังคมแบบนี้มันต้องฝึกกันเยอะมากมันที่ความแพร่ผิดนายนี่ก็เป็นคนแข็งมากถ้านายสอนเรื่องเบอรโบโนนะ มึงไม่ต้องทำเรื่องอื่นเนทุกครั vale ้งที่ประชุมมึงเดิมบนงเดียวเลยมึงแม่งบ้าเลมึงโดนบโลใครพูดมึงยมังแดงหมวกเขียวหมวกแดงหมวกลงแท่งมึงทเป็นสันดานเลยอ่ะผมทำาเป็นสันดานในในหมวกเขียวหวเหลืองวแดงั่ประชุมกันว้อยู่ในลิสต์ของใบใบประชุมมีติ้งเลยเลยเรขาแม่งคกวาระที่หนึ่งแดง้หนึ่งแดงมึงโอเวอร์ลิสต์ัจะให้สาใจเลยแดง วาห้าหนึเหลืองคืออะไรมึงาพูดเรื่องข้อเสียของโปรเจกต์นี้ห้าพูดแต่อะไรครับมึงีอย่างเดียวนะวาหะาึงเขียวเฮ้ยไมึงเขียวมึงห้ามคิดแบบนี้มึงแหวกมึงล้อมให้กูดูคิดใหม่ทำใหม่ใหทำใหม่แวกออกไปเลยตาย้าวนึงขาวถูกไครับพูดเร่องอินโฟเมชันอย่างเดียวถูกไ ถ่าเวลาหนึ่งต้องเงินจะอยู่ท้ายสุดคืออะไรสนุกอกได้แล้วเป็นยัม่งไรต่าะนี่โดยนโลกัินแรงขนานี้ใช่ไม่าสุด้ายครี้นั้นชัเจนหครับแม่งปาแมหน้าบอสทุกคนบอสทุกคนแ่งต้องมาสาบานต่อน้านองจากนี้ไปผมจะใส่รในความเชื่อของคุณแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องปฏิบัติตามคุณเดผมจะฟังแตได้เงี้ยมึงมึงสาบานออกมาเลยว่ามึงจะฟังน้องมึงกล้า่ะ แต่ถ้าลูกลอลทำผิดคุณต้องเป็นใครครับคุณต้องสอนวิธีสอนต้องใช้ d c i s i o n making ให้น้องดูช้อย A ช้อย B ชอย้อย C ใครจะยังอันนี้คือนายโดนเล่นนะจงนะคุณน้องโดนเล่นือผมนะดูเป็นนายกนะูนะเหน็นไหมคุก็มาใงานดูใป่รัฒน์ทำโปรเจกต์น่ยเลใระเอาวรัฒช่วยหน่อยนะตอนนี้อัตราตาลอดแนงเยอะรือกินใช่ ในในในาสรนรารทำมาตลอดเยอะลดหน่อยผมก็จะบอกบอกคุณมากมี่ก่อนหน้าภาครามทำา น, นด้วยนะมีพยานที่นั้นไม่ไหวพี่ผมทําไม่ได้เตือนฝีมือเรียบร้อยครับฝ่ายบคุคคลมารคนนี้เลยครับข้อหาอะไรใครนี้ยเมื่อกี้มืมอดูถูกเ้าอันนี้มึง อ, อะไรนะครับคุณดูถูกตัวมึงเองเดินด้วยมึงโดนด้วยใครวะพี่นัท ก, ก็ถา่งมาแล้วมึงจะบอกพี่นัทได้อกพี่ เอา ไ, ไม่ได้นะพี่ให้มึงทาเลยมันเก่งกผมโดนข้อหาเลยครับตายพี่นัดเข้ามาเลยอีกสองสมทีไปมึเซนเตียมซองเอาค น, น, น, น, น, นอย่างมึงแย่งอยู่ในองค์กรไม่รอดเข้าใจยังถ้าพี่นัสั่งก็แปลว่าไครับชองพี่ต <c ười> <c ười> ายตพี่นัต้องสอร์ตผมนะในนอนเ ส, นนสั่งมึงว่าสอร์ตนึงเข้าใจปะแล้วมึงก็ลงไปทาติดถูกพี่อาแต่ทั้งมันกาไม่มครับ ว่าเสนอที่นั่ที่นั่น ด, ด่าได้ไหมครอวนี้แหมในขณะที่เราลังเล่อนอยู่ตรงนี้อยู่มันจะมี observer เค้าเรียกว่า learning behavior observer เขาจะคอยดูพฤติกรรมคู่นี้เล่นอะไรกันและเขียนเป็น case study เลยเขียนเป็น case study แล้แม่งเขียนออกมาเลยคแปลว่าคู่นี้แม่งคราดเรื่องอะไรมึงกับกูแม่งเละแน่งานนี้ได้ยังทำบ่อยๆนะสุดท้ายมึงเขินที่หายเนละอ่ะนี่นผมนักโทษให้ทำไปนะ ผมเกิดสันดานชั่วก็เลยม้อนมาแล้วส่งี่นะพี่นัจะว่าไงจะด่าได้ไหมด่าก็ไม่ได้ชมก็เลทำไมคเห่นแบนี้ต้อหายุทธศาสตร์แล้วถูกไหมฮะต้องรวมมาซับพอร์ตผมตั้งแต่ต้นเพรามึงขาดอะไรมึงไม่เป็นอะไรถูกไหมตองหลังนัทก็อาจจะยอมหยอนไป่พ่งด่าตอนนี้ใจเย็นดูจิตไว้มึงก็ได้ม่ผ่านด้วย งานก็ได้นีทานก็ได้เท่าไหร่กวนอารมณ์าได้งนการทวอารมณ์ในองค์กรทุกครั้งที่คุณยังับสติคุณยังับอารมณ์ของคุณได้คุณได้แป้งสะสมชื่อสติปัสจะไปแข่ใบหนึ่งงชื่อสติปัสสมม่ิในนัดจะตีตัวผมทีหมายนะผมแมงลับไก่ส่งข้อมูลยี่เงาออามึงใหญ่ไมู่เข้ากแต่มึงหายใจไว้นี่สะสานนี่ะสานหายเย็นๆได้ไหมครับได้ คุณได้ไปแล้วทำบ่อยๆพอเต็มปั๊บคุณไปเบิดโซดาเข้าใจยังคุณจะได้โซดาบานขนาดอยู่ในห้องประชุมเลยก็ได้เห็นยังนี่คือการบาลานซ์สลางงานก็ได้มุนก็ได้เขาเรียกกันว่าบวชอยู่กับงานสไตล์ผมย่ำออกมาสุดท้ายนะจะเป็นอาจารย์อาจารย์ผู้น่าทักผ โอเคครับอันนี้เดีนอยู่กลางานไหมนั้นคนต้องสังทอนอารมณ์ไหมครับส่วนผมเนี่ยเมื่อกี้ได้โปรเจกต์ไปเนี่ยผมแจ็นิโมนห้าผมท้อแท้อิทธิบาทสี่ผมไม่พอถูกไหมครับเพราะว่าขี้เกียจมาผมก็ใส่ใจลึกๆสลดความขี้เกียจออกไปสลัดความตัวออกไปทาให้ได้ผมแห้ไม่ได้อะไรอย่างได้คะแนนสสมไหมนี้ผมณไม่ได้สติสะสมาตขึ้นกันทาไปเรื่อยๆต่อติต่อตินักนี่ก็เป็นคาใต้ที่ดีใช่ไหครับอ้าวติดตรงไหนคิดไม่ออก ใช่ไหมฮะค่อยวางแผนครับสุดท้ายมึงกูตู้ไม่ออกไม่ออกเข้าะอะไรครับก็เซอร์ชละใช่ไหมเขาใหญ่ยังนี่คือ Learning งอ๋อนี่คือบรรยากาศของการได้ Learning งอ๋อคำที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเขาลบอะไรครับเขาเรียกกันว่า r เอสเป Respec คคืออะไรฮะอินดิดวชวลเขาลบในความเป็นปัดเกลียวคน มึงออเล่นแรงนะเล่นแรงมากเลยเอาถึงไล่ออกเลยเลยครับเช่นมึงไปดูถูงคนจีนดูถูงคนดําือว่าตอนนี้ไอ้ไอ้ดีเจที่นิวยอร์กอะช่อง f อ9เอม้าเจ็ดอะมันมันแต่งเพลงสุนามิว่าเพลงสุนามิแม่ง ก, กว่านี่ควกตาตีคนจีนไงคน ด, ดำช่วยช่วยสลามทั้งหลายลงทะเล <laughs> แค่คูอทำนี้ออกมาชนตั้งนิวยอร์กกำลังไล่กระทืบไปแม่งลาออกจากนั่นเลยเลิกฟง S S S M, ยยังเ้าเจ็ดอดีเจย่เงาได้ไหม คุณกำลังไม่เคารพเลยครับนี่ u l t เจอแบบนี้ยุณจะเกิดการ n i n g คุณว่าคนไทยมีปัญหาไนหะมเดี๋ยวผมบอกสภาษาอังกฤษนัก เ, เรียนพูดเอะเิดนิงงหัวเราเป็มนักเรียเรียนรู้ไหมคำนี้เสียคมเลยนะแต่ลมามึงงเดอะเดอะไอเนเสียเลยอะเสียเลยมนไได้แล้วใช่ แล้วพอต่อมาพอให้ทำานู่องทนที่พวกมึงก็ไม่ยอมเสร็จไยอันนี้มึงเสร็จไรเป็นท่านโมเดลบล็อกก็ให้เต็มลักเลยมึงต้อมวิทยากรด้วยใช่ไหมมึง เ, เจอวิยากรคนตีนบล็เป็นท่อนโมเดลคือนม็อยากฟังวิยากรคนรนี้เรียบร้อยแล้วมึงติดเลย่อนีน่มึงทิ เ, เป็นทันที มันไปมากลามเป็ว่าคุณเนี่ยซีเล็กเรื่องที่จะเรียนคุณตายเลยซีเล็กเรื่องอะไรห่าฮะเซีเล็กเรื่องนผมู้บอกว่าทาไมทาไมต้องพาไปสุกสติในป่าช้าําไมผมจะพาว่าคุณสู้กับนิวการฝึกที่วัดหลวงปู่หลวงพ่อเต้เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ให้คุณนอนทั้งคืนเลยให้คุณด้นิวคือไรความขี้เกียจแม่งคือไรคุณดูให้ทำดูแลคุณดีดออก คุณจะได้เป็นคนที่ขยันขึ้นไม่ใช่พอไปถึงบ้านถึงก็นอนใช่ไหมครับงานวิจัยออกมาชัดเจนชายใดก็ตามเมื่อกลับบ้านพับนั่งโซฟาดูทีวีพักมึงเสร็จวัต่อมามึงจะเห็นโซฟาตัวนั้นติดมือจติดยึดมึงจะไปนั่งโซฟาแล้วมึงก็จะสั่งเบียร์สั่งน้ำมะลิแล้วมึงจะเต็มอยู่ตรงนั้นสิบปีผ่านไปมึงคือไอ้ขี้เกียจตัวนตาผมเนาะถึงบ้านร่วงทำงานต่อไหม เข้าบ้านพักผมก็ น, นั่งทำงานต่อเมื่นนอเชาเพื่อนคเมื่อวานเนี้ยไปส่งผมที่โรงแรมอะใช่ปอาจารย์เขาพักความดอนเนาะคือบอกคนอย่างูไ ม, มีพักเพราะถ้พักแต่ว่าอะไรครับตียาวเลยแล้วรวดเดียวเพื่อถึงเช้าเพ น, นเองวเื่อนกมหมดแรงทําัูไปเรื่อยจนนสันดานไปเรื่อยเมื่อวานกะูสอนไเืยเล ย, ยใช่ไหยหยุดใช่มพที่ฐานพลงคุณจะอยู่ตัวัอยู่ตัวความที่เขียนจะเริ่มบีบกะเด็นออกไป เรียนร์น yeah, ิวนอนห้าไอพีเตอร์เซนแม่งไม่รู้จักไอเรียนเรื่ออ่อไออ่อนแม่งรู้เป็นท่านมัวเดียวใช่ไหมครับเดียวได้นะพีเตอร์เซนเนี่ยที่มาเจอหลงปู่นะว่าไม่ธรรดาแน่ๆเลพีเตอร์เซนน่มันตลาดขนาดนี้นะแต่มันขาดเฉลียวไปนิดนึงโวรได้แล้วพีเตอร์เซนเนี่ยโจหน้าเจี๋ยอไอดี่มึงรุเลยรู้จพีเตอร์เซนนะมมีดาแห่งเรีนนิอไปไหไอเซนอะเด็กเดินบาม่รู้ใจเหรอ อ่านเซนเท่แล้วเข้าป่าเลยใครบ้านเซนเท่กันเซนเซนเซนซจิเซนเซนเท่แล้วล็อเอนี่ใช่ไหมมันก็เซนภาษาเมกันเนี่ยมันก็ไม่ฟังเจ้าเจ้าแสงภาษาเขาพูดเราไม่สามารถเดาเองได้อยสติ๊กแม็กแมนแมนเนี้ยใช่ไหมอาจจะเป็นแมคกแมนก็ได้ใช่ไหม ตอบไม่ได้หรอไรโนวิชชี่คนไทยไม่เอนายโอนิวิชชี่ไอออนภาษาเกียนภาษาสอนมันไม่ตรงกันมันตอบไม่ได้คนละเรื่องอยี่าอันตามตรงกัสอนอ่านอะไรอ่านปีเตอร์เซนส์ให้หัวนะปีเตอร์ลวกันง่ายดีนะเนี่ยม็นท่านมาเลยตรงนั้นเลยนะเข้าใจไหมว่าผมต้องพาพวกเซนคอยปฏิบัติทำเรื่องสติและสมาธิ เขาจะได้ดีวิสเมนท์่อนโมเดลออกพอเมนท่อนโเดลแม่งปุ๊บปั๊บซิสเตมติกจิงจิ้งก็หมดไปคุณเห็นไหมบางคนแนมะ่งสันดานชอบยูถูกคนอื่นะใครพูดอะไรก็ช่างอะไม่ชอบคอมเพกับตัวแม่งแต่เพื่อนมมีคนเป็นพ่อโตอร์อ็เหมือนกันนะเป็นอาจารย์ธรรมศาตินีเนี่ยสันดานแม่งชอบคอมแพลคกันอื่นพอใครพูดอะไรมาแม่งก็อบแซวสกูทเท่ามึงนกูดีกับมึง หรือใครพูดอะไรมาก็แล้วแต่โอ้คิดได้แค่นี้เหรอบางทีอนใช้สายตาด้วยนะอนอย่างเงี้ยไม้ใช้อย่างนี้เจอมากไม่คุณนหนุนราศีสิงห์โดยสันดาห์แล้วเนี่ยมันต้องเป็นหัวหน้าสูงพอมีใครเข้ามาเก่งเหมือนมันแม่เกิดความไม่มั่นคงในจิตใจเพราะไม่เคยฝึกสติมันเป็นดมอเเองไ่จริงหวใจแม่ไม่เคยึกถูแม่สั่นสะท้านพอสั่นสะท้านก็คนโผล่ตัวเองไม่ได้จึงต้องมาเล่นอย่างนุ้้อง แล้วคุณวบ่อยๆมุ้ง้องอย่างทำงานได้ไหมครับถ้าอยู่ที่ IBM เมดียไหมครับในขบรบอยดีวีดีโอเขาใชยังนะเข้าใจไหมผมจะแซาไว้เมื่อไออ่อ่อนด่าใครนี่เฉพาะตอนเลคเชอร์นะเว้ยมเจอกรูข้างล่างเคยเจอกรู ป, ปากหมายนี้ป่ะ mm. นั่เฉพาะตอนสอนเท่านั้นจนไปผมชมคุณมิมเจงเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผมไม่ชมแปลว่าอะไรนั่นแหละมแปลว่าไออ่อน กูใช้เงียบเอาแต่คุณชมมึงก็แปลว่าอะไรครับไอ้ชัดชช่าเงียบเลยขยันยั่งงองลองดูดีๆนะทุกท้ายมันเป็นที่สัญจรคนไงไอ้คนทันนี้แม่งไม่น่าทํางานด้วยแล้วแม่งก็ไม่น่าทํางานด้วยแต่สันญานของพาร์ตี้ยูเพอร์ชนทันนี้แม่งอยู่ที่ไหนเลยนิ่งแม่งถูกทำลายเพราะมันต้องการจะพูดตัวมันเองว่าแม่งเจ๋งสุด โดยที่ทำลายคนรอบข้า ง, งทิ้งเจอว่าคนณคนนี้คุณดูแล้ประเทศส่วยๆนี่นะคุณดูจากการแข่งฟุตบอลก็ได้ประเทศที่เง่าเนี่ยต้องการชัยชนะอย่างเดียวคุณจำให้เอเชียเอเชียขับได้ไหมไทยแลนด์จะเตกับเวียดนามเห็นไหมประเทศห่วยอย่างเวียดนามมันต้องการอย่างเดียวคืออะไรครับวินเท่านั้นเองมันไม่ได้จากมัเลิร์นนิ่งประเทศที่เง่าคืออินโดนีเซียเห็นไหมเราไปแข่งสนามเสนาหยัง นม่ก nice ็จะติดสมานกระตือซีนชาติไทยเนี่ยได้่เอาข้างหลังก็ะติกยิงนักกอเรานะตีเราเล่นไม่ได้เลยถ้าเราตีอไปข้างไม่เอาหนังกระติกยิงเขตีก็เป็นกลางๆแบบนทบเลยเราเลยต้องเล่นซีดับสามีีสองไมมีทางเลยโดนตีไม่ได้ไม่มีทางเสียด้ยันแม่ยิงเงี้ยยิงออแม่ต้องใส่หมวกไปขันใน้าหลังเข้าใจป่ะโดนฟ้าคนคนนี้มันไม่เข้าใจคาว่าแพ้ for i m p r o v e e n แล้ว้องการวินนิ่งูเล้ยอย่างนักฟัตทีมเอาเอานักบวลทีชายก็ได้สำหรับทำสิ่งเนียพอมันชนะได้เหรียญทองแล้วเนี่ยมันควรจะสต็อปมันได้แล้วให้มันเป็นเลเจนให้มันเป็นฮีโร่ในองค์กรให้เด็กคนต่อไปทำหนัางสมรักไอ้เนี่ยไอ้ควายพวกนี้ทำไมครับสมรักโชคกอนอกจากเด็กใหม่จะไม่เกินนะสมรักเองก็รับไอ้ชาสุดท้ายนักบอลทุกคนแนะแย้มงไงว่าวันใดก็ตามมึงได้เหรียญทอง พวกผู้ใหญ่จะต้องกระคือเพชรพวงบนคุณมูลุทธนอย่างนี้มันอยากเล่นไหมแม่คิดมันไม่เจงไงทีมชาติไทยมวยได้หน่อยก็เคยก็ล้มคิดกันโง่โอย่างเงี้ยฟุตก็เหมือนกันคิดกันแบบเนี้ยแม่คิดแบบนี้ผุณคิดดูนะไอเยอรมันทิ่เฟลว่ามันเจ่งนะมันเอาทีมชาติไทยเด็กขั้นสุดลงไปแข่งไคเกอร์ขับใช่ไหมครับแล้วคราวเนี้ยก็แม่งตกรอบแรกผมโคตรแฮปปี้เลยนั่นแหละถูกแล้วล่ะเด็กใหม่ได้เกิดยันแพ้คืออะไรครับ Le ืี to to the the the the ่เจมันก็พูดถูกนะไอ้ที่มันอเข้าไปดูชื่อเราจะไม่ได้ละทีมชาติไทยอ่ะแรงไม่มีเหมือนหมาตัวหนึ่งเออมันพูดถูกเลยพวกมไม่มีแรงอ่ะมันก็เล่นอ่ะมันก็แกล้งเลยสุดท้ายุอะไรขวมันออกจริงจต้องขวบเลยทีมชาติไทยดนบริษเหมือนกันนะบอดเบอนอ่เมอนคนตาบอดงงๆนะเข้าใจยังเล่นจ้างอดีบาคนนึงว่ แล้วก็สั่งงานเอ็มดิทำเอ็ดิแม่งก็ทำทำทําำทำพลาดครับถ้าถือว่าใครผิดครับเอดิผิดแต่คุณรู้ไหมใครสั่งมันบอก์ดเองสั่งนี่คือความเลวของบอร์ดเมืองไทยบอร์ดไทยแม่งใจแม่งบอร์ดวนใหญ่เข้าใจยังผู้หลักผู้ใหญ่แม่งส่งมานั่งเพื่อจะมานั่งแดกหรือมาเกษียณที่บริษัทใช่ไหมฮะแม่งกันบูดูดเงินแดกกลับในสันดานนี่เนื้อหาไอเดียไม่เคยรู้ช้ะแม่งสั่งอย่างเดียว ชิดหายในประเทศไทยแล้วเราถึงเป็นไอ้อ่อนในวงการธุรกิจเนี่ยแต่นีงกลายเป็นไอ้อ่อนในการบริหารองค์การสาบัเพราะบอกใทยแม่ไม่เคยอินฟู๊เมื่อาแต่ตาแก่มานั่งเอาคนที่แม่เคยคอรัปชันมานั่งโอ้โหแม่ชิปหายเลยถูกป่ะ MD ดีไม่ทำอะไรได้ไหมเอดีเมืองไทยแม่อัศโจ๊กทำตามเป็นหุ่นทักยใยของบอดเอเอาติดขึ้นมาแม่กระโดดเด พอไม่เชื่อบอร์ดก็นอนพปดพอเชื่อถะาพลาดก็นอนพลดตัว่าถ้าเชื่อและไล่ดีฉะนัน้นแ่เพิ่มอีกปีหน้าเพิ่มยี่สิบเปเนพอทำได้อีกปีหน้าเพิ่มยี่สิบี่เป็นร่งเรื่องเปลี่ยนตย่างแต่ด้ดีแบดอั่นด้วยโอเคที่มะเป็นบอร์ดแดดตคูต่อไปเพ <c oughs> ราะตย่าเแม่ลงแะลบบอร์ดอ่ะใช่ป่ะไอ้รนี้แมไม่เข้าใจนะ ใจคอมันมั่นคงเลยมันหาความสุขอยู่ภายนอกมันนึกว่าการคอร์รัปชันคือทำให้มันมีความสุขได้มันลืมไปว่าความสุขภายในมันลืมไปว่าลิสเซสเซนต์การที่เสี่ยงลงไปในร่มแ0 0 0มืนปีกับการแดดนิดเล็กนิดน้อยในองค์กรนะไม่ไม่เข้าใจเข้าใจโม่เองเกิดเยอะมากจริงไเรื่องนนี่เงาอาจากหลังไนังะตอผมเล่าเรื่องผมปฏิบัติทำมาเพื่ออะไรรู้ป่า เห็นวิธีเริ่มมึงยังมาเลยหรือเป่ามาท้าว่าววคิดหรือป่าอันนี้คืออิทธิบาทสี่สันชาวิริยะจิตตานิมังสาแปลว่าแผนรูเช็คแคชั่นไม่ใช่แมงเชื่ออะไรงงๆทดสอบไม่ไหวก็เปลี่ยนแผนไม่ไหวก็เปลี่ยนแผนนิมัมงสาคือยุธศาสตร์้าไใช้ยุทธศาสตร์เยอะๆลองดูนะออีกทีนึง สองวันนี้พอไหวไหมพอที่จะคึกไปเที่ยงมือมือมันเด็กสามขวดมั้ยังขอม้ยังจะเรียนเรื่องอะไรเรื่องแรกก่อนใจํำใจมึงหาตัวขี <c ười> ung, them, ้เก <K D> ียจให้เจอหัด <problema> ด <ken> ีความขี้เ <NAS> กียจอองเรียนรู้เรื่องอื่นมึงโยนทิ้งได้เลยเด็กสร้างตัวเองให้ขยันให้ได้ก่อนต่อสู้กับความง่วงนิวรันผมปั่นจักรยานแค่ตุกคือไม่ไหวไม่ยอมทาตัวเองให้เว้นไม่ไหว ผมใช้เทคนิครอตัวเองไงรู้ไหมทุกครั้งที่แมนยูลงแข่งผมจะปั่นจกยานหน้าแมนยูเข้าขกูบทุ่แม่งเล่นผมจะปั่นไป45นาทีผุมแม่งครบเวลา3นาทีครูก็จะปั่นอีก3นาทีพอแม่งเต่าปี๊ดหมดเวลาทึ่งแรกครูก็จะทับแล้วคุูมานั่งคิดคจะกเ้เกมยังไงคือว่าพอไม่เป่าทุ่นหลังผมก็จะปั่นกมยานต่อจนนันง 90, ่งถึง90แม่งกระสือต่อเวลา4นาทีต้ม อ, อแม่งเริม่มโเดี๋ยวครูก็ปัน่นคือทุกศัปดาผมก็จะปัน90นา แต่วันธรรมดาก็จะั่าน15นาทีคุณเลือกวิดีโอหรือหนังที่คุณชอบที่สุดใช่แล้วคุณก็ป่านไห้ข้อความนั้นทำด้ปแหรือวแหละท็อปตัวนี้วางตรงอรันงอนของปุ่มอะรเออปุมอะไของกยานแล้วคุณก็ตอบคำถามในเว็บไซต์แล้วณกป่านไปเรื่อยๆใช่ไหมคคก็ทำไปดิทำไปสิานาทีทุกวันยก เ, เว้นแมนยูแข่งเอเอกับแข่งไอยูโรเปียนอย่างนั้นกูจะต้องป่านเกนาที ที่จะสครั้งก็แตย่างซึ่งกก็จะเดินปกติบางที้อกตืบางีสองซ่นทไมครับเจอเอซีมิลานออาง่งกูคืเกูต้องไปคก่อนก็ได้เตรียมพร้อมอันก่อนแข่งผมก็จะไม่กินอะไรนะจะกิ น, นาอาหารเบาๆเคร่งเมียจะนู้ว่ามลงสนามแต่วันใดก็ตามเป็นวันแต่งงานยากของเขาถือว่าโดนใบแดงก็ <laughs> ่อย่งเมียถูกเสม อ, อจไมำไหมก็่ยงเอาว แม่บอกเมียอะไรนะญาติแม่งแต่งผมต้องไปงานด้วยก็ทำไมครับจะโผ่เมียมั้ยคุณคุณรีบมากๆนะชอบมนปันกันได้เรื่อยๆวันหนเมียเบรกคุณผมก็หาข้ออ้างได้ว่าไงครับนบนใบแ ด, ง, ดงนั้น น, นั้นนักนี้ไม่ลงอะไอย่าง้ก <laughs> <laughs> ็เลยไปงานแต่งกับเมียยีาีกไวันน่งท่ไอย่างนีง <laughs> ออกเ ม, <laughs> มียาย5นีนก็มีอะไรก็ถามผมในไหน managerroom.com นี่อะไรนไี่ออกไปที่ Google กดคําว่าวรัพัฒเดี๋ยวเจอเองจริงจริงคุณคว่ามันวารัพัฒสุดท้ายนะวารดพัฒเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเซิร์ชไปหาตูวตัวผ ม, มอยู่ในคูเกิลแล้วเอ็นะก็ขอบคุณปตกขอขอบคุณทุกคนที่มาในงานนี้นะทุกทบเลยนะที่มาเนี่ยนะไม่บุ่นุ่นสะดใดนนนนก็แล้วแต่ที่ผมทําไว้ทุกชาตินะขอทิ้งให้กับพวกคุณแนละเราครอบครัทั้งหลายด้วย จักรโลธรรมวัันติอายุวันโนสุขังพลังมีสตังเยอะๆนิจจบแล้วนะตัวสมองความรู้การก็พู้เป็นเจ้าเถอด